แต่ต้องบอกว่านักดาราศาสตร์หลายคนบนโลกใบนี้นะครับที่ตัดสินใจทํางานสายดาราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าได้เห็นวงแหวนดาวเสาร์เขาเห็นวงแหวนดาวเสาร์แล้วเกิดความรู้สึกพิศวงอยากศึกษาต่อเกิดแรงบันดาลใจดังนั้นผมว่าประโยชน์สําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เราได้เห็นความสวยงามและน่าทึ่งของเอกภพก็แล้วกัน ไดดในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวถ้าเราพูดถึงดาวเคราะห์นะคะเชื่อว่าดาวดวงหนึ่งที่ทุกคนจะจำภาพได้ติดตาแล้วก็แตกต่างจากดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็คือดาวเสาแล้วก็วงแหวนของเขานะคะ ซึ่งมีตอนหนึ่งของใดๆในโลกโล้นฟิสิกส์เนี่ยเราคุยกันเรื่องของกาลิเลโอแล้วเขาเองเนี่ยก็ศึกษาดาวพฤหัสดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่เขาก็สนใจเหมือนกันนั่นก็คือดาวเสาเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นเองนะคะก็อยู่กับฟังรัฐรธาโรจิตพนาค่ะและผมอองแปงอาจวโรงจันทมาศครับพี่องแปงถ้าเราพูดถึงเรื่องดาวเสาเนี่ยเรื่องของวงแหวนของมันที่มันแตกต่างจากดาวดวงอื่นๆเนี่ยมันมีสเสน่ห์ยังไงสําหรับนักฟิสิกส์คะก่อนจะบอกสเสน่ห์ของมัน ถามก่อนว่าดาวเคราะห์อะไรมีวงแหวนบ้างดีกว่าถ้านึกภาพอะฟังไม่รู้เลยฟังก็จําได้แค่ดาวเสาอะเออเวลาเราวาดรูปตั้งแต่เด็กเนี่ยมันต้องเหยียบชึบมองเงี้ยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่เราค้นพบว่ามีวงแหวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาวเสานะครับฟังอ่ามันยังมีดาวยูเรนัยดาวเนปจูนแล้วจริงๆดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็ถือว่ามีวงแหวนด้วยนะแต่วงแหวนของดาวพฤหัสเนี่ยบางมาก เป็นฝุ่นบางๆเลยดีกว่าก็เลยไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเจ้าดาวเสาใช่คือโครงสร้างวงแหวนของดาวเสาเนี่ยชัดเจนแล้วก็ใหญ่โตมองเห็นชัดนะฮะดังนั้นเนี่ยดาวเสาก็เลยเรียกว่าเป็นวงแหวนที่มีเสน่ห์บางคนก็อาจจะถึงขั้นขนานนามว่าเป็นราชาแห่งวงแหวนนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกโดดเด่นชัดเจนนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมมันมีเสน่ห์คำตอบก็คือมันเหมือนแหวนครับคือคําว่าวงแหวนหรือริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ฟังดูมีค่าดูแล้วสวยงามเนอะมันเป็นสเสน่ห์แล้วโครงสร้างวงแหวนของมันพอศึกษาลึกๆเข้าเนี่ยเราค้นพบว่า ม, มันมีความน่าพิศวงเยอะมากซึ่งเนี่ ย, เ ด, ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละทีละสเต็ปฮะทีนี้พอบอกว่าจริงๆมันก็มีดาวดวงอื่นที่มีวงแหวนด้วยแล้วอะไรทําให้ดาวเสาอะมันมีวงแหวนที่แบบเด่นชัดกว่าเพื่อนหรือมันเกิดจากอะไรทําให้มันมีวงแหวนขึ้นมาได้โอ้อันนี้เป็นคําถามที่จริงๆแล้วนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็อยากรู้กันนะ แล้วก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่พยายามศึกษากันอยู่ถึงปัจจุบันเลยว่าทําไมวงแหวนของดาวเสาร์ถึงแตกต่างจากวงแหวนของดาวเคราะหดวงอื่นมันเกิดขึ้นมาจากไหนอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยพยายามศึกษากันอยู่แต่ว่าผมจะเล่านี้ละกันว่าประวัติศาสตร์การศึกษาวงแหวนละกันขอย้อนกลับไปก่อนพูดถึงกาลิเลโอเนี่ยเขาเป็นนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องไปยังท้องฟ้าเป็นคนแรกๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นคนแรกดีกว่า แล้วเขาก็สังเกตดาวพฤรรหัสนะก็เห็นพายุบนดาวพฤหัสอย่างที่ใครไม่ได้ดูต้องไปดูตอนกาลิเลโอถูกไหมแต่ว่าเขาศึกษาดาวเสาด้วยนะดังนั้นเครดิตที่กาลิเลโอค้นพบสิ่งต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะเพราะว่าเขาเขาดันเอากล้องไปส่องซึ่งมันได้เปรียบดวงตามนุษย์แต่ต้องยอมรับว่ากล้องที่กาลิเลโอใช้ครับฟงังมัน มันไม่ได้ดีเหมือนกล้องโทรทัศน์ทุกวันนี้แม้จะเป็นกล้องโทรทัศน์ของมือสมัครเล่นทุกวันนี้ก็กล่าวได้ว่ามีคุณภาพดีกว่าของกาลิเลโอแปลว่าตอนที่เขาส่องตอนนั้นที่เป็นคนแรกที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นมันแบบที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันคือวงแหวนแบบนี้นะเป็นอะไรที่แย่เลยแหละคือเออนี่ยแก้วอันนี้แก้วน้ำเออเดอสแตนดาร์ดนะคือกาลิเลโอเนี่ยมองเห็นดาวเสาเป็นเป็นเม็ดกลมๆแล้วมีคล้ายๆหูออกมาสองฝาเป็นซึ่งเวียดมากเป็นเป็นหูสองหูนะแล้ว เนื่องจากความไม่ชัดและไม่ได้ดีมากของกล้องแต่ในยุคนั้นถือว่าดีนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ดีมาเเขาก็คิดว่ามันคืออะไรเนี่ยมันประหลาดจังเลยทํำไมดาวเคราะห์ดวงนี้เฮ้ยมันมีหูเหรอมันมีอะไรอยู่ข้างข<ช>้างในนะในตอนแรกกาลิเลโอคิดว่าเป็นดวงจันทร์บริวารที่โครจรหรือเปล่าจะมองเห็นไม่ชัดเขาพ้นเพราะว่าวันดีคืนดีคเขาฟังหูเนี่ยจู่จูมันหายไปเฮ้ยเออเขาก็กาลิเลโอก็คงจะเ hey ฮ้ยนี่แหละ <c oughs> watch เออหรืออะไรก็ตามเขาแบบมันหายไปไหนอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เรารู้ดีว่าวงแหวนเนี่ย ถ้ามันหันสั่นเข้าหาเราอะเราก็จะเห็นขอบบางๆแต่กล้องสมัยก่อนมันมันไม่เห็นมนไม่เห็นมันก็เลยเหมือนมันหายไปมันหายไปใช่กาลิเลโอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดข้อสรุปอะไรยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นดาวเคลอที่แปลกประหลาดแล้วกันมันมีหูออกมาแล้ววันดีคดีหูก็หายไปในยุคและเทคโนโลยีของกาลิเลโอเนี่ยมันทำให้เขาก็อยู่กับความพิสวงตรงนี้ไปเรื่อยๆตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาอะนะครับ แต่ ว, ว่ามีคนที่มาไขปริศนานี้ต่อจากกาลิเลโอใช่ไหมคะใช่ครับคนที่ศึกษาต่อด้วยกล้องที่ดีขึ้นนํามาซึ่งข้อสรุปที่ที่ชัดเจนมากคนนั้นก็คือคนที่ชื่อว่าคริสเตียนฮอยเกนนะคริสเตียนฮอยเกนเนี่ยหลายคนอาจจะถ้าเรียนระดับมัธยมปลายจะรู้ว่าเขาเป็นคนคิดค้นหลักเกี่ยวกับคลื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับรูกตุ้มนาฬิกาอะไรพวกนี้ด้วยใช่แต่ว่าหนึ่งในงานด้านดาราศาสตร์ของคริสเตียนฮอยเกนก็คือ เขาเป็นคนค้นพบว่าไอสิ่งประหลาดที่อยู่รอบๆตัวดาวเสาที่เป็นเม็ดกลมๆเนี่ยคือวงแหวนเขาเขาสรุปแบบนั้นได้เพราะอะไรเขาไปเจออะไรคะ่ะอย่างแรกเลยคือกล้องเขาดีขึ้นคือเขาเห็นชัดขึ้นกว่ากาลิเลโอแต่การนั้นก็ต้องอาศัยการสังเกตที่ต่อเนื่องนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในแต่ละคืนของวงแหวนดาวเสานะฮะแต่ละช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เอามาสร้างข้อสรุปสร้างแบบจําลองว่าอ๊ การเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์แบบนี้มันควรจะเป็นยังไงเขาก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อโครงสร้างที่อยู่รอบๆดาวเสาร์เนี่ยมันแปลกประหลาดนะคือมันเป็นเหมือนแผ่นซีดีแผ่ซีดีใช่ในตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นซีดีก็เป็นวงแหวนคือเป็นแผ่นซีดีอายรอบไว้รอบใช่รอบแล้วมันก็มีรูตรงกลางแล้วตัวดาวเสาร์ก็อยู่ตรงกลางรูแผ่นซีดีนั้นใช่คนนี้เป็นคนจะเรียกว่าเป็นคนแรกที่มองเห็นว่ามันเป็นวงแหวนก็ได้นะครับแต่ว่า หลังจากนั้นก็มีการศึกษาวงแหวนเนี่ยเรื่อยมาจนค้นพบารายละเอียดต่างๆเช่น ว, ว่าแผ่นซีดีเนี่ยมันไม่ได้มีความต่อเนื่องนะมันมีรูตรงกลางได้ด้วยอะไรเงี้ยอะไพวกคือมีรูระหว่างวงแหวนใช่แล้วคือมันไม่ได้เป็นแผ่นซีดีที่มันเป็นแผ่นต่อเนื่องปืดติดกัน ม, มันมีเหมือนรูตรงกลางเป็นรูแหวกอยู่ตรงกลางอย่างเง<อ>ีนะ้ยนี่ก็เป็นยุคต่อมาแต่ผมมองว่าอันนี้โดยส่วนตัวแล้วคือผมมองว่าคนที่สร้างคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ให้กับความรู้เกี่ยวกับวงแหวนดาวเสาเนี่ย เป็นนักฟิสิกส์ที่ต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะคนหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยคุ้นชื่อเขาแต่ว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ไอน์สไตน์ด้วย hmm. คือไอน์สไตน์เนี่ยชื่นอชอบคนนี้มากแล้วก็คนเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นอัจฉริยะที่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูก็จริงแต่ว่าถ้าถามวามนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอะท็อป10เนี่ย คนนี้ติดต้องติดแน่นอนคือเราคุ้นหูแค่ไอแซคนิวตันเอาเบอร์ไอน์อะไรเงี้ยแต่คนนี้ตัวพ่อยิ่งใหญ่มากเขาคือใครค่ะเจมส์คลิร์กส์แม็กซ์เวลล์เคยได้ยินไหมครับไม่คุ้นเลยค่ะพี่ครับแต่เขาติดท็อปเทนโอ้แน่นอนในยุคของแม็กซ์เวลล์เนี่ยก็ต้องบอกว่ากล้องโทรทัศน์ก็ดีขึ้นจากยุคของกาลิเลโอดีขึ้นจากยุคของคริสเตียนฮอวเกนแต่มันก็ยังไม่ดีพอจะเห็นรายละเอียดของวงแหวนแต่ทีนี้แม็กซ์เวลล์เนี่ย เรียกว่ามีพลังความรู้เกี่ยวกับกฎของนิวตันซึ่งเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุดีมากเก่งมากคณิตศาสตร์เขาคือระดับท็อปทอปของโลกในยุคนั้นเลยก็ว่าได้แม็กซ์เวลล์ในวัยยี่ปีนะครโอ<ฮ>้ตอนที่สิปีถือว่าไม่ได้เป็นแบบว่าคนแก่ผู้มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นนะชลิยะเลยใช่ตีพิมพ์ผลงานชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงวงการเกี่ยวกับดารศาศาสตร์แล้วก็ทําให้เขาเนี่ย ได้รับรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผลงานนี้เป็นผลงานที่เขาเนี่ยใช้กระดาษปากกาแล้วก็สมองคํานวณออกมาโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นเป็นหลัก เ, เ, เป็นแหล่งแบบไม่ได้คือเขาไม่ได้ทําการทดลองเขาเอาศัยผลการสังเกตกเก่าแก่กับทฤษฎีแล้วก็ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย<ฆ>ทำให้เขาค้นพบบางอย่าง น, ะนั่นก็คือเขาค้นพบว่าถ้าด า, าวเสารมันเป็นเหมือนแผ่นซีดีจริงๆนะครับฟัง มันจะเกิดปัญหาใหญ่มากนั่นก็คือจุดที่แผ่นซีดีอยู่ใกล้คือขอบด้านในของแผ่นซีดีเนี่ย ม, มันโดนแรงโน้มถ่วงจากตรงกลางดึงแรงมากเลยแต่ส่วนที่อยู่ไกลเนี่ยโดนดึงเบามากคือแผ่นซีดีหรือวงแหวนนี่มันแผ่ออกไปไกลามากมมดังนั้นผลต่างของแรงดึงแรงโน้มถ่วงมันเยอะพอผลต่างมันเยอะมันควรจะทําให้วงแหวนดาวเสาเนี่ยฉีกขาดจากแรงโน้มถ่วงเพราะถูกดึงเข้าไปใช่ถูกดึงตรงนี้ดึงแรงตรงนี้ดึงน้อยเนี่ยมัน มันเกิดแรงตึงในตัวมันแล้วมันจะฉีกขาดหรืออย่างน้อยถ้าไม่ฉีกขาดนะครับมันจะไม่เสถียรเลยมันจะหล่นเข้าหาดาวเสาหรือเอียงกระเท้เร่หรืออะไรคือคือมันคืออย่างที่บอกวงแหวนดาวเสาเนี่ยตั้งแต่ยุคคาริโอเขาก็เห็นทุกวันนี้เราก็เห็นมันเห็นกันมาตลอดมันเสถียรมากแล้วคําถามนั้นทําให้เขาค้นพบอะไรต่อคะแม็กซ์เวลล์ก็เลยถามตัวเองต่อว่าแล้วมันมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้าง<ๆ>เขาก็เลยสํารวจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เป็นไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นบอกว่า เอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นดวงจันทร์ของดาวเสารเรียงต่อกันเหมือนรูกประคำอะฮะลูกประคำแบบพระร้อยกันไว้ร้อยกันไว้อแตามันก็ไม่เสถียรเหมือนกันมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันไม่เสถียรถ้าเป็นของไหลได้ไหมเป็นแบบน้ําเลยที่เขาคิดไปถึงขั้นนั้นว่าเป็นน้ําได้ไหมปรากว่าน้ำเนี่ยก็ไม่เสถียรมันจะเกิดการเป็นฟองมีแรงโน้มถ่วงต่างๆโดนอะไรมารบคูณนิดเดียวเนี่ยมันเป็นฟองมันสลายไปเร็วมากเป็นแก๊สก็ไม่ได้เป็นเลยก็ไม่ได้สํารวจความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ย แม็กซเวลนำมาซึ่งข้อสรุปที่คมคายแต่ว่ามันประหลาดมากในยุคนั้นก็คือมันจะต้องเป็นเม็ดเล็กๆเดียงรลยเต็มไปหมดเม็ดรอพี่ใช่วงแหวนเนี่ยที่เราเห็นเป็นแผ่นต่อเนื่องประกอบขึ้นจากเม็ดเล็กๆของคล้ายๆกับก้อนหินก้อนน้ำแข็งก้อน อ, อะไรพวกนี้แต่และก้อนเนี่ยมีธรรมชาติวงโครจรของมันโดยอิสระนะฮะแล้วตัวมันก็โครจรด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันออกไปมไม่ได้เชื่อมร้อยกันเป็นแผ่นเดียวกันใช่ เพียงแต่มันมาอยู่ในระนาบเดียวกันจนเราเห็นมันเป็นเป็นแผ่นต่อเนื่องเพราะกล้องเนี่ยมันไม่ได้มีเรสโซลูชันหรือกำลังแยกที่ดีขนาดนั้นอใช่ซึ่งข้อสรุปเนี้ยมันเป็นข้อสรุปที่สําหรับผมคือกล้าหาญมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้อสรุปที่กล้าหาญเนี่ยมันจะต้องไม่ ก, กมังวลมันจะต้องเสี่ยงต่อการพังพินาศมากคือถ้าเทคโนโลยีดีขึ้นแล้วพบว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นผิดคือผิดใช่ใชเนี่ยคือพลังของของวิทยาศาสตร์เลยนะค่ะ แล้วสิ่งที่เขาคิดก็ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเจมส์เคลิฟแม็กซ์เวลล์เสียชีวิตไปก็มีการศึกษาวงแหวนดาวเสาระเอียดนะฮะจากเครื่องมือที่เรียกว่าสเปกโตกราฟอะไรพวกนี้ก็คนพบว่าเฮ้ยมันเป็นเม็ดเมที่โคจรด้วยอัตราเร็วแตกต่างกันจริงๆก็คือเขาอะใช้เหมือนกับฐานทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ยแล้วก็มาคํานวณจนเจอว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันไม่ใช่สิ่งอย่างที่เราเห็นด้วยกล้องในยุคนั้นแต่ แล้วก็สํารวจความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วรูเอัลคือกําจัดทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดทิ้งแล้วมันเหลือความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่มันมจะต้องเป็นเม็ด่คะทีนี้มีคําถามที่ป่องแปงว่าแล้ว อ, อะไรทําให้ดาวเสามีวงแหวนหรือดาวบางดวงมีวงแหวนแต่ดาวบางดวงเนี่ยไม่มีวงแหวนไอวัตถุที่เราบอกว่าเป็นน้ําแข็งเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยที่ดาวดวงอื่ น, น่ะไม่มีหรอต้องบอกนี่ก่อนว่าหลังจากยุค ข, ของแม็กซ์เวลล์แล้วมีการศึกษาด้วยสเปกโตรกราฟเนี่ยนักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์นะครับ พยายามศึกษาดาวเสาก็มีการส่งยานต่างๆนะครับไปเก็บข้อมูลเยอะแยะมากมายจนคนพบว่าวงแหวนเนี่ยโครงสร้างมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดถ้าเราไปดูในในภาพถ่ายขององค์การนาซ a หรือองค์การอวกาศใหญ่ๆนะครับจะพบว่าวงแหวนนี่มันมีช่องเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเรียกว่ามีดวงจันทร์แม้แต่ดวงจันทร์แทรกเข้าไปอยู่ระหว่างวงแหวนแบบนี้ก็มีเหมือนกัน<อ>ดวงจันทร์ของดาวเสาซุกซ้อนมาก คือดาวเสาเนี่ยมันมันมวลเยอะนะมันก็จะมีดวงจันทร์มีบริวารเยอะแล้วกันทีนี้ดวงจันทร์บางดวงก็ไปแทรกอยู่ตรงกลางน่นนี่นั่นแล้วโครงสร้างของดาวเสาเนี่ยบางทีเขาก็ไปค้นพบว่ามันไม่ได้เรียงรายเป็นเป็นแผ่น ส, สวยๆอย่างเดียวแต่มันยังมีโครงสร้างที่เรียกว่าสไปคือมองคล้ายๆซี่ล้อจั ก, กรยานอย่างเงี้ย ล้อจักรยานคือมันจะเป็นคล้ายๆเงาเงาคือความความหนาแน่นของแต่ละจุดมันไม่เท่ากัน่แล้วมันก็มองคล้ายๆได้ว่าเป็นสปายก็มีคือมันเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนสูงมากนะครับซึ่งถามว่าทำไมดวงแหวนด า, าวเสเกิดมาได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นักดาราศาสตร์ยังตั้งคำถามกันอยู่ก็แล้วกันใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้มีพูดถึงตัวดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร มันมีปรากฏการณ์อะไรไหมคะที่วงแหวนกับดวงจันทร์หรืออะไรเงี้ยมันพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดอะไรที่มันพิเศษหรือว่าแปลกไปกว่าดาวดวงอื่นๆไหมพี่อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากก็คือมันนํามาซึ่งคําถามที่ว่าเราศึกษาวงแหวนดาวเสาไปทําไมด้วยนะอืคือดาวเสาเนี่ยฮะมันอยู่ไกลเรามากไกลแค่ไหนลองนึกภาพก่อนว่าใจกลางระบบสุริยะคือดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็ดาวพระพุธสุกโลกอังคารพรฤหัสเสาเสาเนี่ย อยู่นอกๆแล้วแล้วมันก็เป็นดาวเคราะห์ตัวที่ไกลที่สุดที่มนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเห็นแล้วจะหนักได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ด้วยนะออืคืออย่างยูเรนัสเนี่ยก็ไกลจนแบบไม่รู้เป็นดาวเคราะห์หรือเป็นอะไรคือแทบจะมองไม่เห็นแล้วกันเนปจูนนี้ไม่เห็นแน่ๆด้วยตาเปล่านะครับดาวเคราะห์ที่แบบเห็นชัดๆแล้วรู้ว่าเป็นดาวเคราะห์แน่ดาวเสาร์นไกลมากดังนั้นคําถามที่ว่าศึกษาไปทําไมมันต้องมีประโยชน์นะอย่างแรกเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นหลักใหญ่ใจความก็คือมันเป็นเหมือนห้องทดลอง แรงน้มถ่วงห้องทดลองแรงน้มถ่วงใช่ยังไงคะคือเวลาเราจะศึกษาธรรมชาติปรากฏการเกี่ยวกับแรงน้มถ่วงของนิวตันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทําการทดลองในในแลบจริงๆลําบากนะฮะเพราะว่าอแรงน้มถ่วงมันเป็นแรงที่อ่อนมากสมมุติเราเอาเศษกระดาษมาครับฟังเศษกระดาษมาวางไว้บนโต๊ะแล้ว เ, าเอาไม้บรรทัดมาถูหัวแล้วเคยเอามาแบบย ก, อ, กอ่ ะ, อะเคยเห็นมันแบบโดนไฟฟ้าสถิตยกใช่ปะ ดูดิงขึ้นมานหาใบบรรทัด อ, อะไรเงี้ยลองลองเล่นดูได้ น, นะครับจริงๆแล้วไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันสาธิตถึงความอ่อนของแรงโน้มถ่วงได้ชัดเจนมากประจุฟไฟฟ้าไม่เท่าไหร่บนไม้บรรทัดอะยกเศษกระดาษได้โลกทั้งไปยังยังแพ้เลยอะอคือแรงโน้มถ่วงมันอ่อนมากทีนี้ถ้าเราจะศึกษาแรงโน้มถ่วงได้อย่างชัดเจนจากจากระบบในในธรรมชาติเนี่ยดาวเสาร์ก็เป็นระบบหนึ่งที่ที่น่าศึกษาเพราะว่า หเลยคือดวงจันทร์มันเยอะแล้วเราอยากรู้ว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันมีผลต่อกันและกันยังไงนะฮะระหว่างดวงจันทร์กับดวงจันทร์ดวงจันทร์กับวงแหวนวงแหวนต่อวงแหวนพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้นักฟิสิกส์เนี่ยสร้างแบบจําลองต่างๆแล้วก็นําไปศึกษาอะไรได้ดีมากเลยอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่เราที่ทำให้นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์ต้องพยายามเก็บข้อบูลวงแหวนดาวเสาให้มากเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของเขาเรียก many body problem เกี่ยวกับการศึกษาวัตถุหลายชิ้นนะฮะว่ามัน interact ทำปริยาอะไรต่อกันอย่างไรภายใต้แรงโน้มถ่วงอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้คือดวงจันทร์ของดาวเสาเนี่ยมันมีคาแรกเตอร์มันมีมันมีธรรมชาติที่น่าหลงใหลหลายหลายดวงลองไปดูรูปนะครับอย่างดวงจันทร์ไททันที่ใหญ่มากเลยนะของดาวเสาเนี่ยเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่จนกระทั่งมีชั้นบรรยากาศอะฟังดูเฉยๆนะแต่ลองดูภาพดวงจันทร์ของโลกก็ได้ครับดวงจันทร์ของโลกเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยเราเห็นพื้นผิวมันแบบชัดเจนคนะเพราะว่าบรรยากาศมันแทบไม่มีเลยแล้วก็เห็นผิวของมัน นึกออกไหมคือมองไปมันบรรยากาศมันบางจนกระทั่งแบบแค่จินตนาการได้ว่าคนถึงบอกว่ามีกระตายอยู่บนดวงจันทร์หรืออะไรเงี้ยเพราะมันเห็นพื้นผิวมันขรุขระเห็นเป็นหลุมบ่ออะไรพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นกระต่ายไปเลยต่างๆนานาแต่ว่าดวงจันทร์ไทยท่านเนี่ยโอ้โหบรรยากาศของมันหนามากคือต้องส่งยานไปไปลงจอดครับถึงจะเห็นโครงสร้างเมหาสมุทรอะไรของมันพวกนั้นแล้วมันมีมหาสมุทรที่เป็นแก๊สมีเทานอยู่อใช่อย่างเนี้ย ซึ่งในแง่หนึ่งคิดแบบไซไฟหน่อยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคือถ้าเราอยากได้แก๊สธรรมชาติที่เป็นมีเทนเนี่ย <ไป S 1> ในอนาคตก็ไปเอาที่นั่นครับ <c oughs> น่าจะพอใช้เป็นล้านปีเลย <c oughs> มีคนคำนวณไว้ด้วย <c oughs> หรือหรือว่าดวงจันทร์ชื่อเอ็นเซลาดัสอย่างเนี้ยมันมีน้ำพุพุ่งออกมาพวกนี้มวลสารพวกนี้มันมันมีการกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนได้เหมือนกันนะมีการสร้างแบบจาลองอะไรพวกนี้จะเห็นว่ามัน เออมันมีความน่าสนใจคือตัวดวงจันทร์ก็น่าสนใจปฏิสัมพันธ์ที่ดวงจันทร์มีต่อวงแหวนก็น่าสนใจค่ะมันมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงคะพี่บงคอย่างที่บอกคือสารที่มันพุ่งออกมาจากเอ็นเซเลดัสเนบางทีมันมันมีโอกาสที่จะไปเติมเป็นมวลสารของวงแหวนได้เหมือนกันดังนั้นในแง่นี้นี่เป็นปัจจัยที่ทําให้วงแหวนอาจจะมีมวลเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่มันก็มีปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้วงแหวนของดาวเสาเสียมวลได้เหมือนกันอะไรพวกนี้ตรงนี้เขาก็ศึกษากันอยู่ว่า ในอนาคตเนี่ยวงแหวนที่เห็นว่ามีเสถียรภาพเนี่ยในระยะยาวมากๆจริงๆหรือในสเกลของอายุดาวเคราะห์เนี่ยมันมันจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรตรงนี้ก็มีการศึกษาอยู่ฮะแปลว่าลูกหลานในอีกหลาย10หลายร้อยเจเนอเรชันของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพของดาวเสาแล้วก็วงแหวนดาวเสาแบบนี้เหมือนกับที่เราเห็นก็ก็ได้ใ ช, ใช่ไหมคะใชเป็นไปได้เป็นไปได้มันสิ่งที่ดูเหมือนเสถียรในช่วงเวลาชีวิตของคนคนหนึ่งจนเราคิดว่ามันไม่มีวันเปลี่ยนเนี่ย ถ้ามันผ่านไปนานมากๆมากๆคือในระดับเป็น100ยเจเนอเรชันของมนุษย์เนี่ยเราอาจจะเห็นบางอย่างได้เหมือนกันแล้วถ้าเรามองจากยุค ข, ของกาลิเลโอมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี้ยที่เฮ้ยเราน่าจะมีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมวันนี้คนบนโลกของเราเนี่ยตั้งคำถามอะไรหรือว่ากำลังศึกษาอะไรเกี่ยวกับดาวเสาหรือว่าวงแหวนของดาวเสาอยู่บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกดาวเคราะห์ยักษ์ใหญ่พฤหัสเสายูเรนัสเนปจูนเนี่ยมันมีความลับอยู่เยอะ เพราะว่ามันอยู่ไกลเรานะดาวเสาร์เนี่ยคนชอบไปดูก็จริงแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้หนึ่งในโครงสร้างที่แปลกประหลาดในตัวดาวเสาร์นะครับเช่นว่าเขาเรียก s ัตเทิลเฮกซากอคือพายุที่คั่วของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมเราก็พยายามตั้งคําถามแล้วก็พยายามสร้างแบบจําลองแม้ในห้องทดลองนะครับว่าทําไมมันถึงพัดเป็นรูปหกเหลี่ยมอย่างนี้น ะ, ะธรรมชาติของดวงจันทร์ต่างๆของดาวเสาร์ซึ่งมันมีเยอะมากไอ้แบบเนี้ยว่าบางดวงเนี่ย มันหน้าตาแปลกประหลาดบางดวงเหมือนเดสต้าในใน a r าร์บอเรนี้เลยนะ อ, อย่าง En ็นเซลาดเนี่ยมีรอยมีรอยข่วนบนผิวคล้ายๆกับเล็กไทเกอร์สตริปอ่ะมันเหมือนกับรอยเสือพาดกรอนี้ก็มีนะก็มีหลายอย่างให้ศึกษากันแล้วกันอย่างวงแหวนดาวเสาเนี่ยข้อมูลจากยานแคสซินีมันมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อ G ิโอวานีแคสซินีศึกษาดาวเสาคนพบดวงจันทร์ของดาวเสาหลายดวงนะครับแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่ค้นพบว่าวงแหวนนี่มีช่องแบ่งอยู่อย่างที่ผมได้เกริ่นเป็นในตอนแรกๆ ก็มียานอาวกาศที่เขาตั้งชื่อเป็นเกียรติแกบแคสซินีเขาไปค้นพบโครงสร้าง อ, องค์ประกอบอ ย, อย่างเช่นว่าเม็ดเม็ดต่างๆเหล่านี้มันหลกัหลกๆแล้วมีองค์ประกอบเป็นน้ำแข็งนะซึ่งน้ำแข็งพวกนี้มาจากไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องศ<ร>ึกษากันต่อไปแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าหลงไหลมากคือโครงสร้างวงแหวนของดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นเหมือนงานแกะสลักของธรรมชาติที่ประณีตคือ วงแหวนดาวเสาร์เนี่ยมันใหญ่มากมันแผ่วมาไกลม า, มากแต่ความหนาของมันเนี่ยครับฟังมันหนานในระดับแบบไม่กี่กิโลเมตรอะหละัก อ, อย่างดีก็ส่วนนั้นหนามากๆอาจจะอยู่ในหลัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองคือหนาคือไม่หนาเลยดีกว่าเออข้าใจไหมมันมันหนามันหนาน้อยมากมเนี่ยใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่แปลกประหลาดนะฮะแล้วการศึกษาวงแหวนดาวเสายังเป็นการศึกษาแบบ แบบจำลองตัวหนึ่งที่ใกล้ใกล้โลกของเราที่สุดดวงหนึ่งเพราะว่าพอศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือศึกษาวัตถุที่เขาเรียกว่าทรานส n เนปจูเนียนออกไปคือไกลกว่าดาวเนปจูนออกไปเนี่ยบางทีเขาค้นพบวัตถุที่มีวงแหวนอื่นๆอีก น, น, น, น ะ, ะทุกวันนี้<ะ>ใช่ซึ่งการค้นพบศึกษาวงแหวนดาวเสาเนี่ยก็จะนาไปสู่ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบกับ วัตถุอื่นๆื่นไหมว่าจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อาจจะมีวงแหวนหรือวัตถุที่เป็นทรานส์เนปจูเนียนอะไรพวกนี้ครับอืออเอาจริงๆพอฟังถึงตอนนี้ที่ปองแปงอยากรู้ว่าการศึกษาวงแหวนดาวเสามันมีประโยชน์ยังไงกับคนทั่วไปไหมอ่หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักดาราศาสตร์นะผมว่ามันเหมือนเราเออกไปดูดาวอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกทึ่งในมุมนึงมันเหมือนกับการไปเดินป่าครับฝางคือ แบบเทพนะคือสมมุติว่าเราไปเที่ยวป่าเราไปเจอสัตว์ไปเจอพืชแปลกๆเนี่ยความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็เหมือนกันเออมันก็เป็นป่าหนึ่งที่ใหญ่มากนะอวกาศเนี่ยความรู้พวกนี้มันทําให้เรารู้สึกได้ว่าเอกภพของเรามันสวยงามมันน่าทึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ที่ทําให้เราแบบขายของดีขึ้นไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์เชิงนั้นแต่ต้องบอกว่านักดาราศาสตร์หลายคนบน บนโลกใบนี้นะครับในในประเทศไทยก็มีหลายท่านนะฮะที่ตัดสินใจทํางานสายดาราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าได้เห็นวงแหวนดาวเสาร์ใช่มผมก็รู้จักบางท่านเหมือนกันที่ เ, ออเขาทํางานสายดาราศาสตร์จนทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตนะครับเพราะว่า<อ>เขาเห็นวงแหวนดาวเสาร์แล้วเกิดความรู้สึกพิศวงอยากศึกษาต่อเกิดแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยดังนั้นผมว่าประโยชน์สําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เราได้ เห็นความสวยงามและน่าทึ่งของเอกภพก็แล้วกันค่ะขนาดฟังเองที่อยู่นอกแวดวงของวงการวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์นะพี่ปองแปมพอฟังวันนี้ฟังยังรู้สึกว่า มันสวยกว่าที่เราเห็นในรูปเพราะเรารู้รายละเอียดแล้วก็เราเรารู้จักมันมากขึ้นเรารู้ว่าเออมันมีอะไรอยู่ในนั้นเลยงั้นก็ยังรู้สึกได้ว่าเออมันเป็นความสวยงามที่บางทีการได้มีความรู้เรื่องนี้มันทําให้เราเห็นความสวยงามของโลกแล้วก็ของเอกภพมากขึ้นด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่วงแหวนดาวเสาให้กับเราแล้วก็วันนี้ถ้าใครได้มองรูปของดาวเสาแล้วก็หรือว่าวาดรูปนะของวงแหวนดาวเสาก็น่าจะรู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่าแค่ที่ตาเราเห็นแต่ว่า พอได้มาฟังวันนี้แล้วก็น่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปนะคะก็สามารถกลับมาติดตามนะคะใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์กันได้ใหม่ในตอนหน้าที่สำคัญนะคะนอกจากฟังในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์แล้วเนี่ยฝากกด Subscribe นะคะ YouTube c h a ของ l ขอ The s t a n d a r d Podcast ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The Standard Podcast I opening for your ears